ะว่าก็ดูศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นบริเวณด้ามและกระโจมมือเต็มไปได้วยริ้วรอยขีดข่วนคล้ำหมองไปด้วยคราบใครเนื้อเหล็กขาวเวอร์แทบจะหมดสีดำที่รมไว้แต่ปฏิบัติการของกลไกทุกชิ้นยังใช้การได้ดีเยี่ยมพอแก่การไว้วางใจได้ช้ยันถอดลูกเลื่อนออกซองดูลำกล้องแล้วเบ ป, ปากเมื่อเห็นเกลียวของมันบางเต็มทีนี่ไม่เจ้าระคุณเห็นจะสั์มนแล้วไม่ต่ำกว่าพันนัด เกลียวแทบไม่มีเหลือลำกล้องเกือบเป็นลูกซองอยู่แล้วไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นปืนของผู้หญิงนักประจนไฟัยชาวกรุงบ่นเบาๆแล้วส่งไปให้เชษดาดูหัวหน้าคณะส่องดูเกลียวในลำกล้องไม่กล่าวว่าอะไราส่งต่อไปให้ระพินภายหลังจัดตรวจดูอย่างทีท้วนระมัดระวงังพรานใหญ่ก็คืนไปให้ใชายยันยังไหวครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็เห็นกันแล้วว่าเจ้าของเคยใช้ยิงหัวกระรอกได้ถูกในระยะไกลๆแปบลบว่าขีปนาวิถีของมันน่ะยังดีอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ถนัดใจยังไงลราก็เอาสามสิบทับศูนย์หกของผมกระบอกนี้ก็ได้ <í ls> ไม่เป็นไรผมใช้มันเองเ <í ls> ชื่อว่ามันคงอยากให้ผมใช้เหมือนกันในการติดตามเจ้าของครั้งนี้ชายันกล่าวอย่างมั่นใจ จัดการบรรจุกระสุนเข้าซองแล้วกระแทกลูกเลื่อนครวมทรงลูกขึ้นลำลดนกเหวี่ยงขึ้นสะพายไหลพลางเดินไปหยุดยืนสงบนิ่งอยู่ที่หลุมศพของดรฮอฟมันทุกคนพลอยเดินตามเขาเข้ามาด้วยและนิ่งสงบกันอยู่อึดใจใหญ่พญายเรากําลังจะไปตามพัญญาของคุณเช่นที่รับปากไว้เราจะทําได้สําเร็จหรือไม่เพียงไรพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้ ชัยยันกล่าวขึ้นแผวเบากับหลุมศพนั้น สว่างขึ้นเป็นลำดับพร้อมกับเสียงนกที่ออกหากินการเดินทางก็เริ่มต้นเมื่อมองเห็นหน้ากันได้รางๆขยินผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุมเฉลยเตือนเจ้าหนุกชายของหัวหน้าเผ่ากินคนด้วยวิธีกระตุ้นปลายมีดอันแหลมคมเข้าไปที่ท้ายทอยด้านหลังหรูออกนําหน้าไปโดยไม่มีทางขัดขืนอิดเอื้อนเพราะอํานาจบังคับที่เฉียบขาดดุดันนั้น ทั้งเก้าคนเคลื่อนไปอย่างเงียบกริบทำกลางละอองน้าค้างที่จับชุ่มอยู่ตามพื้นและใบไม้หมอกอันหนาทึบปกคลุมราวป่ารอบด้านทำให้แลดูลึกลับชวนกังขาด้วยไม่อาจมองเห็นอะไรได้ถนัดเจ้าตองเหลืองเก้อแยกออกจากขบวนนำหน้าลับหายไปก่อนด้วยวิญญาณป่าของมันเพื่อทำหน้าที่เป็นแมวมองกองหน้าโดยไม่ต้องห่วงว่ามันจะพลัดหลงกับคณะ ถยินจี้ติดหลังหลูกเตือนให้มันรู้โดยอาการอยู่ทุกขณะจิตว่าการบิดพลิ้วหรือพยายามจะเล่นเล่กนใดๆย่อมหมายถึงอาญาเถื่อนที่จะได้รับพรานใหญ่ว้นระยะทอดหลังมาประมาณสิบเมตรการมอบหน้าที่ควบคุมเฉลยให้แก่อดีตนายบ้านลมช้างทำให้เขาไว้วางใจและสามารถจะใช้สายตาสำรวจบารอบด้านได้โดยสะดวกขึ้นเชษฐาเคียงติดอยู่ใกล้ชิดเขา พอที่จะกระซิบปรึกษาหารือกันได้ถนัดช้ยันกระดารินเดินอยู่ด้วยกันอีกคู่หนึ่งโดยมีบุญคำเยื้องหลังมาเล็กน้อยและท้ายขบวนคือจอมพเนจรเงงสา ย, ซ, ายซึ่งทอดระยะห่างออกมาเป็นตาหลังของทุกคนมือถือไรเฟิลไหลสะพายธนูพร้อมกระบอกลูกธนูติดระเบิดไนโตรเต็มอัดราศิบสองลูกปัดข้ามลำธาร มันเป็นยุทธภูมิน้องเลือดเมื่อบ่ายวานนี้เข้าสู่โดงทึบอีกฝากหนึ่งแล้วก็บุกป่าฝาโดงกันไปอย่างไม่คำนึงถึงอุปสรรคขวางน้ำใดๆทั้งสิ้นทุกคนชาชิงกับเหตุการณ์ใช่ละไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยยากลำบากกายหรือการสำนึกในข้อที่ว่าชีวิตแขวนอยู่บนสายใยเส้นน้อยนิดซึ่งมีมัจจุราชเป็นผู้แก่งไก ว, กวอดีตที่ผ่านมาแล้วมันโชคพอสมควร จะหลอหลอมจิตใจให้แข็งกล้าวทอรหดหานเผชิญในทุกสถานการณ์ไม่ว่ามันจะเลวร้ายสักขนาดไหนเป็นความจริงเหมือนเช่นที่มาเรียฮอกมันได้พูดไว้นั่นคือมนุษย์เราเมื่อเห็นว่าความตายปราศจากความหมายลงยามใดยามนั้นมนุษย์ก็พร้อมแล้วที่จะเหยียบจมูกมรุตอยู่ได้เต็มภาคผูขึ้นเขาลงหุบ ป่าบางขณะก็ทึบจนแทบไม่มีทางเดินบางขณะก็โปร่งโล่งสลับกันอยู่เช่นนี้ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าจากเช้าสายแล้วในที่สุดใกล้เทียงทั้งหมดพบตัวเองเดินเลียบเลาะไประหว่างชายทุ่งแฝกอันร้อนอ้าวระอุต่อมาก็ผ่านบริเวณอันเหลือร่องรอยของไฟป่าไว้ให้เห็นด้วยความโกรนเกลียนของต้นไม้ สลับไปกับก้อนหินสีดำไอแดดที่แผดจ้าเป็นระยับประหนึ่งเดินผ่านไปในเต่ามหายักลูยังคงเดินนำไปอย่างรวดเร็วด้วยฝีเท้าดุดสัตว์ป่าของมัน ไม่มีคำอุทธรดีกาไม่แสดงท่าว่าจะเหน็ดเหนื่อยอ่อนแรงและไม่เคยขอน้มกินหรือขอหยุดพักนานๆครั้งมันก็เหลือบชำเลืองสายตาคมวาวมาทางเบื้องหลังสักครั้งแต่แล้วก็ต้องหัวสุนออกเดินต่อไปเพราะขยินสคอคู่เข็นสำทับหลายต่อหลายครั้งที่เจ้าลูลหลังแอ่เพราะถูกส้นปืนกระทุง้งอดีตนักเลงโตหล่มช้างทาหน้าที่ผู้คุมของมันอย่างดีที่สุด เพาสันดานให้อยู่แล้วเกษส่อสัญชาติญาณตามเผ่าพันธุ์ของมันให้เห็นชัดนั่นคือไม่ยอมเข้ามารวมกลุ่มร่วมขบวนด้วยหลายครั้งที่คณะชาวกรุงสงสัยว่ามันจะหลงทางพลัดหมู่หายไปเพราะไม่ปรากฏให้เห็นนานนับชั่วโมงของระยะการเดินอันซอกซอนขดเคี้ยวแต่รพินเตือนให้เลิกกังวลและไม่ต้องไปสนใจห่วงในการหายหัวไปของมัน เขาบอกให้อุ่นใจว่าจะยังไงซะเจ้ากเก๋ก็จะต้องติดตามมาในรัศมีใกล้เคียงเสมอแล้วก็เป็นความจริงอย่างพรานใหญ่บอกนานๆครั้งทุกคนจะเห็นเงาของชายตองเหลืองแพ่วพานกลายใกล้เข้ามาบางทีก็ไปปรากฏตัวยืนดักอยู่เบื้องหนะ้าบางทีก็ดอดตามมาเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของมันเป็นไปอย่างลึกลับ ร่องรอยของพวกสางเขียวมองเห็นได้เป็นระยะตลอดทางที่ผ่านมานอกจากรอยเก่าอันแสดงถึงว่าตลอดทั้งดงถิ่นนี้ล้วนเป็นแดนท่องเที่ยวหาเหยื่อของมันแล้วรอยของการเคลื่อนคนผ่านไปจํานวนมากอันเป็นรอยใหม่ที่เกิดขึ้นจากเมื่อวานก็ยังปรากฏให้เห็นชัดเจนตรงทุ่งแฝดและบริเวณหนองน้ำแฉะตรงตีนป่าโคก ก่อนจะนำขึ้นเขาลูกใหญ่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขาหัวแรงระพินกบุญคำอ่านภูมิประเทศเหล่านั้นไปอย่างระมัดระวังทุกฝีก้าวและซุบซิบหารือกันอยู่บ่อยครั้งเวลายิ่งล่วงผ่านไปทั้งพรานใหญ่และตาพรานเท่าแห่งเขาอึมครึมก็ยิ่งทีท่วนขึ้นทุกขณข สุดยอดเนินเขาลูกนั้นลงไปสู่ไหลลาดอีกฝากหนึ่งเพื่อจะไต่ขึ้นเขาที่ใหญ่กว่าขึ้นไปและเห็นชะเงือมืดไปด้วยดงทึบอันเป็นป่าดึกดำบัรรพินก็หยุดชะงักลงตรงหน้าผาริมทางด่านเก่าตอนหนึ่งส่งสัญญาณเรียกขยินซึ่งเดินคุมลูไปเบื้องหน้าให้นำตัวบุตรชายของหัวหน้าเผ่าสางเขียวเข้ามาส่งภาษาพูดยาซักถามอยู่อึดใจใหญ่ เชิดทากช ย, ยันก็กรากเข้ามาด้วยความสงสัยจ้องหน้าเหมือนจะถามระพินป้ายหลังเช็ดระพินป้ายหลังแขนเช็ดเหงื่อที่เกาะพราวอยู่ที่ขนตาใช้นิ้วเสยปีกมือขึ้นเล็กน้อยแล้วบุยปลาขึ้นไปบนหน้าผาเตีย้ยเตี้ยเหนือศีรษะของทุกคนที่ชุมนุมกันอยู่ขณะนายจ้างทั้งสามแหงนขึ้นมองตามสัญญาณที่ชี้บอกนั้นแล้วพากันชะ ง, งักนิ่งกันไปชั่วขณะ ศีรษะเก่าๆของมนุษย์สามศีรษะเสียบอยู่บนปลายไม้ปากเรียงได้ระยะกันอยู่บนตอนบนของหน้าผาที่สูงขึ้นไปประมาณสิบเมตรนั้นและเห็นผมเป็นกระเซิงถูกลมพัดอยู่ไปมาในตากลงโ๋และฟันที่เสยแยกน่ากลัวสีดำคล้ำแห้งเกราะเพราะตากแดดตากฝุ่นมานานหมายความว่ายังไง ใครคนหนึ่งหลุดปากออกมาด้วยเสียงกระซิบแห้งผากดูเหมือนจะเป็นนักมนุษยวิทยาสาวนั่นเองเรากำลังผ่านเข้ามาถึงด่านแรกของมันแล้วครับนั่นคือประตูผีแปลว่าอะไรประตูผีชายันถามเสียงหืดหืดหรีตาจ้องขึ้นไปยังสามสีรักอันปักเสียบไม้อยู่นั้นด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูก ประตูผีคือพรมแดนด้านนอกของหมู่บ้านมันหัวของเหยื่อะจะถูกตัดมาเสียบ ป, ปักไว้เพื่อความหมายว่าให้ช่วยเฝ้าปากทางเป็นบริวารของเทวรูปอินคาคนแปลกทินหรือศัตรูที่จะมาแพร่พานผ่านเข้ามาผีที่มันตัดหัวไว้เป็นยามเฝ้าจะรายงานไปยังอินคาและอินคาก็จะเข้าโดนใจบอกมุมบาหมอผีอีกทีหนึ่งมันเชื่อเช่นนั้น ทุกด้านที่จะเข้าถิ่นของมันในรัศมีประมาณห้ากิโลเมตรจะมีประตูผีอย่างนี้ไว้ทั้งหมดถ้างั้นเราก็ใกล้ถิ่นของมันเข้ามาเต็มทีแล้วสินะหัวหน้าคณะพูดแผ่วต่ำจ้องตาเขาแล้วิีนิ่งไปอึดใจยังไม่ตอบว่าอะไรทั้งสิ้นทำมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนสงบรวมกลุ่มอยู่กับที่ชั่วคราวก่อน ตนเองออกเดินสำรวจไปตามเส้นทางเดินอันแยกแยะคดเคี้ยวตัดกันไปมาราวกระเส้นทางเขาวงกุดนั้นพร้อมทั้งตรวจดูตามพื้นและป่ารกรอบด้านอย่างระมัดระวังพื้นเหล่านั้นเป็นดินแข็งสลับไปไกลก้อนหินยากที่จะหาร่องรอยใดใดไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้อย่างไรก็ตามสัญชาตยานพรานบอกเขาไดในทันทีว่าหนทางอันแลเป็นเถือกโล่งเตียนที่เห็นอยู่เหล่านี้ แม่ลักษณะมันจะเลดูผัดผาดคล้ายด่านสัตว์กว้างเพียงประมาณสองฟุตเจ็เศษคดเคี้ยวเลี้ยวเลาะไปในระหว่างพุ่มพงสองฝั่งแต่มันก็ผิดแผกไปกว่าด่านสัตว์โดยปกติทั่วไปเพราะความเกลี้ยงเกลาของมันชนิดที่แม้แต่หญ้าซักต้นก็ไม่สามารถจะขึ้นบนทางเหล่านั้นได้มันน่าจะเป็นทางเดินประจาของมนุษย์มากกว่าแบบเดียวกับหนทางที่นาเข้าสู่หมู่บ้านคนทั้งหลาย การใช้เป็นทางผ่านไปมาอยู่เป็นประจำและด้วยปริมาณของคนเดินผ่านเป็นจํานวนมากทําให้เกิดเส้นทางเรียบโล่งเหล่านี้ขึ้นบุญคําผู้ย่องตามหลังเข้ามาอย่างเงียบกริบก้มลงเอาจมูกเดมฟุดฟิตแล้วกระซิบบุญคําได้กลิ่นมันปุ้นเปียกอยู่แถวนี้ไหนนี่เป็นทางเดินที่มันใช้อยู่เป็นประจำจมูกของตาพรานเท่าจัดว่าเลวที่สุดสําหรับกลิ่นเมือง เพราะขนาดแอมโมเนียที่คนทั่วไปดมและสำลักตาตั้งแกเดมยังเฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยน้ำหอมทุกยี่ห้อต่อให้ดีวิเศษสักขนาดไหนแกก็ไม่เคยสนใจรู้ในกลิ่นของมันแต่สำหรับสาบ ป, ป่าแล้วเที่ยงนักไม่ต้องเห็นรอยใดๆทั้งสิน้นเพียงแค่ดมเอาจากพื้นดินก้อนหินหรือโคนไม้ที่สับปสับเหล่านั้นเฉียดผ่านไปเท่านั้น แกก็สามารถบอกได้อย่างแม่นยาว่ามันคืออะไรล่วงหน้าผ่านไปแล้วนานสักเท่าใดนี่เป็นสิ่งลึกลับที่ระพินเองก็ยังจับเคล็ดหาเหตุผลในการคาดคะเนได้ถูกต้องของแก่ไม่ได้แต่เขาก็เห็นประจักษ์มาแล้วโดยไม่กล้ามองข้ามซะในยามนี้การสำรวจโดยจมูกผีของบุญคำตรงกับการสำรวจด้วยสายตาอันเจนจัดของเขาอึดใจนั่นเอง ก็แลไปสะดุดเข้ากับกอเฟอินเล็กๆกอหนึ่งขึ้นอยู่ตีนโขดหินริมทางห่างจากเบื้องหน้าเขาออกไปราวสิบก้าวส่วนหนึ่งของใบเฟินเหล่านั้นยับลู่ลงมาติดพื้นมองเห็นได้ถนัดจากใบอันดกที่ขึ้นปกคลุมแผ่เป็นพุ่มเขียวเขาเคลื่อนตรงเข้าไปโดยเร็วสุดลงนั่งสำรวจแล้วก็พบรองเท้าเข้าอย่างถนัดทันีเพราะตีนโขดหินตำแหน่งนั้นเป็นบริเวณตานา้า พื้นดินอ่อนเบียกชุ่มตรงที่รอยตีนเหยียบลงไปน้ำยังไหลซึมเข้ามารินๆและใบเฟินที่แหลกเพราะถูกน้ำหนักตัวบดลงไปก็ยังเสดรอยู่มันผ่านมาไม่ถึงชั่วโมงนี้เองระพินกวาดาอย่างระแวงไปรอบได้ป่ายังอยู่ในอาการสงบเงียบงนันไม่มีสิ่งใดกระตุกกระตากอยู่ตามเดิมแต่แล้วก็ต้องกระทับไรเฟิลขึ้นอย่างรวดเร็ว พระปรากฏเสียงปาลั่นโฉบสาบขึ้นรงโดงพลวงเบื้องนะ้บุญคําเองก็หมุนตัววื่นเข้าหาโคนไม้ว่าเปืนด้วยสัญชาตยานอันฉับไวของแต่เท่าทั้งเขาและบุญคําก็จ้องปืนค้างหยุดเช่นนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาได้สิ่งที่พลูออกมาให้เห็นคือชมดแผงตัวหนึ่งใหญ่ขนาดเกือบเท่าเสือดาวมันพุ่งปราจากปาอีกฝั่งหนึ่งออกมาหยุดยืนอยู่กลางทางเดิน และโจนแผลเงียบหายเข้าไปหลังโคนไม้ใหญ่ด้านตรงข้ามเมื่อลมโชยกลิ่นมนุษย์ทั้งสองนั่งซุ่มอยู่อีกพักใหญ่มีเสียงนกว่าร้องโวยก้องมาจากเนินสูงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งคล้ายๆจะเป็นเสียงกูตะโกนของคนต่อมาก็เป็นเสียงคิครอกของข้างดำสองสามตัวและเสียงที่มันกระโจนสู้ซาไปตามยอดไม้ แต่ครู่เดียวก็สงบลงตามเดิมบุญคำค่อยๆก้มลงเอาหูแน่พื้นแล้วเงยขึ้นสันหัวช้าๆเป็นความหมายว่ายังจับเสียงอะไรไม่ได้แต่ข้าวหน้าก็เต็มไปได้วยความกลงขาคลางแผล ระพินลุกขึ้นพยักหน้าชวนแกเดินกลับมายังจุดรวมของทางหลายสายที่มาบรรจบกันตรงหน้าผาตัดซึ่งไอคณะทั้งหมดหยุดรอคอยอยู่ขณะที่เขาโผล่มาถึงก็พบว่าคนเหล่านั้นอยู่ในลักษณะระวังตัวเตรียมพร้อมตามที่ซุ่มกำบังต่างๆอย่างไม่ประมาทคงจะสัมเนียตถึงสิ่งผิดปกตินั่นอยู่เหมือนกันเมื่อตะกี้เสียงเหมือนคนกุ่แล้วก็มีเสียงข้างตื่น เชิถากระสิกเสียงนกว่าครับพรานใหญ่ตอบมองไปทางเจ้าลูซึ่งบัด น, นี้ขยินกดคอให้หนั่งยองๆ อ, อยู่หลังก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งพร้อมทั้งมีดที่จ่อท้ายถอยได้รองรอยอะไรมั่งชัยันถามระยะทางจากนี้เป็นต้นไม้เราต้องเพิ่มความระวังทุกฝีก้าวมันอาจเห็นเราเมื่อไหร่ก็ได้ครับ เพราะกองราดระเวนของมันป้วนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ทั่วไปหมดเส้นทางที่เราเห็นอยู่เหล่านี้เป็นทางเดินของพวกมันทางนั้นไม่ใช่ด่านสัตว์ผมกําลังจะหาทางอ้อมออกไปให้พ้นเส้นทางของพวกมันถ้ามันเห็นเราเมื่อไรแผนของเราจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเราต้องเข้าให้ถึงกลางชมรมถึงตัวเม ก, ก่อนที่มันจะไหวทันหัวหน้าคณะพื้พัม แลมื่อกี้คุณเรียกเจ้าลูมาพูดอะไรอดีตนายทหารปืนใหญ่ซักมาอีกเพราะไม่สามารถเข้าใจภาษาได้ผมต้องการให้มันนำเราออกไปให้พ้นสายตาหน่วยลาดระเวนของมันซึ่งมันควรจะรู้ดีตลอดเวลามันนำเราเข้ามาในลักษณะเจตตนาจะผ่านเส้นทางให้พวกมันเห็นและถ้าพวกมันเห็นรู้ตัวล่วงหน้าเมื่อไรไม่เพียงแต่จะเสียแผนเท่านั้นพวกเราจะถูกฆ่าตายหมดก่อนที่จะทาอะไรได้ เจ้าลูมันหวังไว้อย่างนั้นชายันแยกเขี้ยวหันขวับไปทางเฉลยคำรามออกมาไอีกนี่ไม่เชื่องแฮะมันไม่ยิงทิ้งสนักทาไมห่วงเรื่องเอาไปเป็นตัวประกรันก็จะซัดซะละเลยเหลี่ยมลูกไม้จัดนักนะอย่าไปว่าอะไรมาเลยครับนั่นนะเป็นความฉลาดที่จะเอาตัวรอดและกลับสถานาการณ์ให้พวกเราตกเป็นเหยื่อของมันเมื่อเรารู้ทันก็หาทางแก้ไขเอาเอง เชิถาว่ายังไม่ทันขาดคำทุกคนก็ต้องสะดุ้งขึ้นพร้อมกันในบัดนั้นมีหินขนาดกำปั้นก้อนหนึ่งหล่นลงมาจากหน้าผาอันเป็นประตูผีของสางเขียวเหนือสีสักขึ้นไปเกือบถูกคณะทุกคนที่ยืนปรึกษากันอยู่ทั้งหมดเพ่นแย่ออกจากกันขยับปืนพร้อมทั้งเลยควับขึ้นไปก็พบร่างหนึ่งยืนเด่นอยู่ในระหว่างเสาที่ปากศีรษะมนุษย์นั้น รบพินโดดวูบเดียวปัดไรเฟิลของดารินขึ้นมาอยู่ในระดับสายตาเบนพ้นแนวออกไปยานั่นนะเจ้าเกะเขาร้องวิดไปนิดเดียวเท่านั้นสำหรับนักมานุษยวิทยาสาวผู้มีความไวเหนือกว่าทุกคนในคณะเกี่ยวกับการลั่นกระสุนเข้าใส่เป้าหมายโดยไม่เคยตรวจดูให้ทีท่วนว่าเป้าหมายนั้นๆเป็นอะไร มันเนื่องมาจากความตื่นเต้นและหวาดกลัวตามประสาผู้หญิงซึ่งประสาทไม่มั่นคงนักนั่นเองเจ้าตองเหลืองเก๋ผู้แยกหายจากคณะไปร่วมครึ่งชั่วโมงนับแต่เห็นกันครั้งหลังสุดแบบนี้มันยืนโบกมือโบกไม้ อาการกระสับกระสายลุกลุนอยู่บนยอดผาเตียเต้ยๆตำแหน่งนั้นลักษณะของมันต้องการจะบอกอะไรสักอย่างหนึง่งแต่เป็นการตีบ่ายไม่ยอมให้เสียงใดๆทั้ทงสิน้นแลพิงกระโดดออกไปบุกมือตีบ่ายเป็นสัญญาณตอบแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจอะไรกันได้ในที่สุดมันก็โหนตัวไปลงมาทางรากไม้และแง่หินอย่างรีบร้อนพอลงมาถึงพื้นดินก็แล่นปราบเข้ามาหา ทรงภาษาเร็วปรือกับพรานใหญ่ลักษณะกระสิบประาซาักระพินก็โจรกลับมายังคณะนายจ้างกองลาดระเวนของสางขิวสามคนกำลังเดินลงเนินลงมาตรงนี้ครับเจ้าเก๋มันเห็นซะก่อนประสาทของทุกคนเครียดขึ้นในทันทีนั้นมันรู้ถึงการมาของพวกเราหรือเปล่าชิดถาถามเร็วสลับ ด, ดาวนิ่งกึงอัตโนมัติลงจากไหลในขณะที่สหายร่วมตายของเขา ยังขยับลูกเลื่อนขึ้นนกจุดสามเจ็ดห้าแมกนัมของมาเรียเก๋บอกว่ามันเดินกันมาตามทางอย่างสบายผมคิดว่ามันคงยังไม่รู้ตัวครับสามคนแน่หรอมีมากกว่านั้นหรือเปล่ามันเห็นเพียงสามคนครับเอาไงหลบเพื่อมันผ่านพ้นไปหรือจะเก็บดีชายันสอดมาด้วยเร็วระหว่างที่พรานใหญ่ชั่งใจ หัวหน้าคณะก็สั่งมาอย่างเฉียบขาดว่าปล่อยไม่ได้ถึงยังไงถ้าผ่านที่นี่ไปมันจะต้องรู้ถึงการมาของเราแน่เก็บเงียบให้หมดอย่าใช้ปืนเลยเป็นอันขาดแล้วพินหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างกระสับกระส่ายหันไปสอบซักเก้อโดยเร็วอีกสองสามประโยคก็บอกกับคณะนายจ้างรีบเดินว่าพวกคุณชายซุ่มเตรียมพร้อมไว้นะครับผมแงซาย บุญคำสามคนจะจัดการกับมันเองว่าแล้วเขาก็หันออกคำสั่งกับคนเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปชนิดแข็งกับเวลาและด้วยการเข้าใจหน้าที่ของกันและกันโดยไม่จำเป็นต้องพูดกันให้ยาวเชษฐาดารินชยยันปืนพร้อมอยู่ในมือเข้าประจำที่กำบังชยยันล่เจ้าเกะให้เข้าไปรวมกลุ่มอยู่ด้วย ขณะนั้นเองลู่ก็กขยับตัวกระสับกระสายอย่างสอพิรุษทำท่าจะผุดลุกขึ้นยืนส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณขึ้นขยินทุบโครมลงไปที่คอต่อขมมหน้าไปคว่มอยู่กับพื้นเจ้าอาดีตนักเลงโตเหล่มช้างเอาผ้าเขียนเอวมัดปากมันไว้ป้องกันไม่ส่งเสียงใดๆขึ้นมาได้แล้วขึ้นนั่งทับหลังมีจออยู่ที่กระเดือกขยับเฉือนเบาๆจนหนังกาพร้าชันนอกขาด เลือดไหลซึมออกมาเจ้าลูนอนตัวแข็งไม่กล้ากระดิกกระดีระพินวางไรเฟิ่ลง ดึงมีดโบวีประจำตัวออกจากเอวมาถือกระชับไว้มัน่นบุญคํากับแงสายฝากปืนไว้กับคณะนายจ้างเช่นกันบุญคํานั้นชักมีดหมออันเป็นดาบหัวตัดของแกขึ้นมาจบเนื้อหัวส่วนแง่สายถอดมีดช่วยออกจากฝักอย่างใจเย็นและโดยไม่จำเป็นต้องนัดแนะหรือพูดคำใดอีกเลยพรานใหญ่พุ่งปราดด้วยฝีเท้ายองของเสือตรงออกไปยังด้านเบื้องหน้าโดยทิศทางที่ชี้บอกของเก๊ บุญคำกับแงซทรายก็ติดหลังไปราวกัะเงาผีณนะบัดนี้ทั้งสามแปรสภาพเป็นเสือพรานไปแล้วการเก็บเหยื่อจะต้องกระทำการอย่างเงียบเชียบที่สุดนั่นหมายถึงการจู่เข้าประชิด ต, ตัวและการคืบเข้าหามนุษย์กินคนเผ่าสางเขียวจนถึงตัวโดยไม่เปิดโอกาสให้มันรู้ตัวได้เลยนั้นคือการย่องเข้าหาเสือลายภาพกรเราดีๆนี่เอง เสียจังหวะพลังพลาดแม้ในชั่วพริบตาเดียวแทนที่จะเป็นฝ่ายล่าก็จะกลับเป็นฝ่ายถูกล่าในทันทีข้อนิรพินไพรวันย่อมจะตระหนักดีแต่ก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นกลับใดก็ตามที่ปืนไม่สามารถจะนํามาใช้ได้ในภาวะเช่นนี้พอผลทางโค้งเบื้องนะ่ะทั้งสามก็แยกเข้าป่าริมทางเคลื่อนไหวไปอย่างระวงังไม่ให้เกิดเสียง พร้อมทั้งคอยเงี่ยหูสดับรับฟังบุ้นคำบุกลำไปเบื้องหนะ้าเพราะหูผีของแกน่ะดีกว่าหูธรรมดาของเขาเง่สายก้มก้มเงยเงยลอดกิ่งไม้เยื่อมาทางด้านหลังสีหน้าของจอมพเนจรเฉยเมยปราศจากความรู้สึกใดๆให้อ่านออกอันเป็นคุณลักษณะประจำตัว ใ, ใ, ใหญ่ต่อมาตาพรานเท่าก็นอนฟังกับแผ่นดินอีก ชั่วครู่เดียวก็ลุกขึ้นชี้มือเป็นสัญญาณบุยใบยให้ทราบว่าทิศ ท, ทางสวนเข้ามาของมันมาจากทางแยกด้านซ้ายมือพร้อมกันบุญคำก็กระโจนข้ามทางตับไปอีกฝากหนึง่งแยกจากหัวเลี้ยวเข้าหลบซุ่มอยู่ทางหลังพุ่มไม้แลพิงย่องเข้าแฝงตัวอยู่ที่จอมปลวกเยืองกับที่ซุ่มของบุญคำเล็กน้อยส่วนแงซทายหยุดอยู่ที่โคนไม้ใหญ่หายแวบราวกับผีไปที่นัน เสียงตีนมากกว่าหนึ่งคู่เดินย่ำมาตามทางเดินเบาๆแต่ก็แหววมาให้ได้ยินอย่างถนัดท่ามกลางความเงียบสงัดต่อมาก็มีเสียงพูดคุยกันพึมพำแสดงว่าพวกมันพากันเดินมาตามสบายไม่ได้ฉเฉลียคิดระวังตนใดๆเลยรพินสูดลมหายใจเข้าปอดลึกอีกมือนึ่งลูกคลําแผวเบาอยู่ที่ขมมิ่นชำเลืองไปทางบุญคําเห็นแอบสงบอยู่ที่นั่น เจ้าเงาท้ายหายไปเหมือนมันไม่ได้ร่วมมาด้วยครั้นแล้วจากขุนทางแคบๆเป็นช่องยาวเหยียดตัดไปในระหว่างป่ารกสองฟากนั้นต้นเหตุของการทำให้นกว่าร้องและข้างทักเมื่อครู่ใหญ่นี้ก็ปรากฏขึ้นให้เห็นตรงตามคํารายงานของเจ้าเก๋ทุกอย่างสางเกียวสามคนพากันเดินเรียงเดี่ยวชิดกันมาตามทางนั้น เป็นชายชักันร่างล่ำสันแข็งแรงส่วนสูงเพียงไม่เกินห้าฟุตจากเงาสลัวของกิ่งไม้ที่คลุมทึบอยู่เบื้องบนทำให้มองดูเหมือนลิงธรหมดเจ้าคนหน้ากับคนกลางนาถือดาบใหญ่ส่วนคนหลังแบกหอกยาวท่วมหัวเสียงมันคุยกันมาพึมพาเหมือนหมีกินพึ่งไม่มีการสำเนียกถึงภัยระวังตัวใดๆทั้งสิ้พรานใหญ่พยักหน้ากับบุญคาเป็นความหมาย แล้วคลานอ้อมจอมปลวกไปอีกด้านหนึ่งสงบนิ่งรอคอยโอกาสให้มันทานทางเข้ามาใกล้เทศจะไม่ยอมหายใจใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาเป็นลาดับจากขนทางที่จะต้องผ่านตาแหน่งซุ่มประหนึ่งพยัก์ร้ายคอยเหยืดอและแล้วในที่สุดพวกมันก็เดินเข้ามาถึงผ่านหน้าคล้อยหลังตาแหน่งหลบซ่อนห่างออกไปเพียงวาเษิษ เขา่านพานใหญ่ร้องให้สัญญาณพร้อมกันเขาก็พุ่งพรวดออกจากที่ซ่อน